อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพระจันทราเทรีโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15เมษายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้ำบัดนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังนะกว่าจะถึงพระอาหารหันต์ประวัติของภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าพระจันทาเทรีพระจันทาเทรีนั้นได้สั่งสมกุศลบารมีเอาไว้แล้วตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือจริงๆแต่ละคนเนี่ยกว่าจะ มาได้ดิบได้ดีจนถึงขนาดนี้เนี่ยต้องสั่งสมมามากแต่บางทีเนี่ยก็หนีไม่พ้นอีกเหมือนกันว่าเราก็ไปทําสิ่งไม่ดีไว้ด้วยซึ่งก็เ ย, เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะหรือว่าหลายชาติที่เรียกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยคือคือถ้าเราคิดแบบตื้นตื้นเนี่ยเออเราสั่งสมบารมีสั่งสมดีเอาไว้แล้วเกิดมาชาตินี้ก็ต้องดีดีดีดีด มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเพราะท่านถึงได้บอกให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าบางทีเนี่ยชาติที่เราเกิดมาชาตินี้เป็นวิบากกรรมของช่วงไหนอะ่ะที่ที่ที่จะมาใช้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบว่าเออเราทําชาตินี้ดีชาติหน้าเราจะดีต่อจากชาตินี้ที่เราทําโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคิวจริงๆมันยังยาวเลยอะ่ะ คือที่เราทําทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดและตายเกิดและตายเนี่ยโอ้โหกองกระดูกนะใหญ่กว่าภูเขาเวปุระบรรพศถ้าเดี๋ยวนี้น่าจะบอกว่าใหญ่กว่าภูเขาหิมะพาสเอหิมาไรนะถ้าเปรียบท่านเปรียบไว้เยอะเปรียบเหมือนกับเลือดหรือเปรียบเหมือนกับน้ําตา นะบอกแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเลือดกระตาน้ำตาก็ตามที่หลั่งไหลออกมานี่ยโอ้โหมากกว่าสี่มหาสมุทรไม่ใช่มหาสมุทรเดียวนะสี่มหาสมุทรแสดงว่าโอโ้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยนับไม่ทั่วเลยเพราะฉะนั้นวิบบา ก, กรรมที่เราชดใช้ไปชดใช้ไปเนี่ยไม่รู้นะเมื่อไหร่จะหมดจริงๆแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าท่านไม่ป้ิริพญานไปแล้วนะ ถ้าท่านยังยังมาเกิดอีกนะถ้าถ้าจะเป็นแบบแบบอะไรอะ่ะยังที่จะช่วยเช่วยเหลือผู้คนอยู่เนี่ยนะท่านมาเกิดอีกท่านยังต้องใช้บิบากกรรมต่อไปอไม่ได้หมายความว่า พ, พระพุทธเจ้านี่อะไรอะ่ะหมดหมดบิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีอ่ะที่ไปทําทําไว้ไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าถ้าท่านปริยนิพพานไปแล้วเนี่ยบิบากกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นน่ะไม่รู้จะไปตามหาท่านได้ที่ไหน เพราะว่าท่านไม่เกิดมาอีกแล้วไม่รู้จะมาเอาตัวตนร่างกายไหนอะ่ะที่จะมาชดใช้หาไม่เจอหาไม่มีเพราะหมดหมดที่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าวิบากกรรมที่ต้องใช้หมดยังไม่หมดหรอกแต่พูดง่ายๆว่าสามารถเขาเรียกว่าตัดกรรมทิ้งได้ะนะที่จะมาตามไล่ตามล่าเหมือนกับเขาเรียกว่าสุนัขล่าเนื้อนะที่จะตามไล่งับไล่งับเนี่ย คือมันหาคนคนที่จะ ง, งับไม่เจอมันก็เลยไม่รู้จะไปงับใครที่ไหนเพราะว่าของใครก็ของคนนั้นเพราะั้นบางทีเนี่ยบางคนยังยังยังนึกว่าเออโหชาตินี้เราทำดีอย่างนี้แล้วชาติหน้าเราจะได้เราจะได้แต่ดีไม่ใช่นะคุณชาติหน้าถ้าเกิดไปเจอช่วงที่วิบากบาปมันมาตามเล่นงานคุณอาจจะสวยก็ได้ เพราะนั้นมันมันไม่ได้เป็นมุมเดียวหรือไม่ได้เป็นประเด็นเดียวที่เรียกว่าถ้าทําดีอย่างนี้แล้วชาตินี้ในชาติหน้าจะดีอย่างที่เราทําในชาตินี้ไม่ไม่ตายตัวอย่างนั้นอันนี้ในพระไตรปิฎกก็มีพระพุทธเจ้าท่านกต็ตรัสถึงนะว่ามันไม่ได้ตายตัวอย่างนั้นเพราะว่ามันแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งที่วิบากกรรมชุดไหนหรือว่ารุ่นไหนนะมันมาตามเล่นงานเรา ก็เหมือนกันอันนี้แม้จะเป็นเนี่ยสั่งสมบุญบารมีไว้มากนะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆอย่างก่อ น, ก, อ น, ก, อ น, ก, อนก็ตามนะเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งการเข้าถึงพระนิพพานในชาติต่อๆไปคือคือดีมากขึ้นดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องหนีไม่พ้นสิเพราะว่าถ้ามาในทางของสายพุทธเนี่ยก็สูงที่สุดก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานสูงที่สุดไม่มีอย่างอื่นวันสะสมบุญกุศลไว้เนี่ย เนี่ยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเป้าหมายก็คือไม่ชาติไหนก็ชาติหนึ่งละต้องได้บรรลุธรรมแม้จะพบวิบากกรรมเช่นไรก็ตามยังคงสแสวงหาความหลุดพ้นทุกจากกิเลสเสมอมาคือถ้าจิตมันเข้ากระแสแล้วเนี่ยจะชาติไหนก็ตามคุณจะไปเจอวิบากกรรมยังไงก็ตามแต่ถ้าเข้ากระแสแล้วเนี่ยคุณก็พยายามชดใช้นี้เวรกรรมแล้วก็พยายาม ทำดีคือจะไม่ไม่กลายไปว่าพอเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาแล้วเราจะไปทําเลวทําร้ายเพื่อที่จะแบบว่าให้เราพ้นจากไอ้บิบากที่มาตามเล่นงานเพราะถ้าคนเข้ากระแสแล้วเนี่ยจิตใจดีแล้วอย่างเช่นถ้าบางคนตกตามเจออุบัติเหตุสมมุตินะเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยโอ้โหแขนพิการขาพิการอะไรไป ถ้าคนที่เข้ากระแสแล้วต่อให้แขนพิการขาพิการก็อาจจะเศ้าหมองบ้างอาจจะเสียดายบ้างนะอาจจะทุกบ้างอะไรบ้างเจ็บปวดทรมานบ้างแต่กิจที่จะไปแบบว่าอะไรอ่ะไปทำให้มันผิดศีลไปทําให้มันเสียคุณธรรมเสียความดีอะไรเนี่ยจะพยายามไม่ทําเลยถ้าเข้ากระแสจริงๆเนี่ยจะไม่ยอมทํา นะส่วนว่าทกุกเวทนาอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้นี่สิมันหนีไม่พ้นนี่ยเพราะั้ถ้าคนที่เข้ากระแสจริงๆเนี่ยคุณจะไปตรวจวัดได้อย่างบางคนเนี่ยไม่ได้โดนถึงก็โหอุบัติเหตุหนักหนาร้ายแรงแค่บางทีแค่โดนด่าเท่านั้ น, น, น, นเองแค่โดนเขาด่าแค่โดนเขาดูแค่โดนเขาว่าบางคนแค่เนี้ยเจอวิบากแค่เนี้ยคือคือเราก็ต้องเคยไปทําอะไรมานะพอเรามาโดนเจอแค่นี้ปับ๊บ เราเอาล้เราจะใช้วิธีแก้โดยอะไรโกรธเส็จไม่ชอบใจบางทีไปแกล้งเขาหรือไปเล่นงานเขากลับนะไปไปทําร้ายเขากลับเนี่ยเีย่อันนี้ไม่เข้ากระแสแล้วแสดงว่าจิตนี่มันมันยังฝึกมาปฏิบัติมาเนี่ยมันยังไม่ถึงจิตเพราะว่าถ้าถึงจิตแล้วเนี่ยนะต่อให้คุณเกยังมีตัวโกรธอยู่เกิดขึ้นมานะแตม่มันจะจับจิตได้แล้วมันจะพยายามระ ง, งับแก้แล้วก็ล้างจับไม่ให้ไป เรียกว่าไปอะไรล้างแค้นหรือไปเล่นงานเขาเพื่อให้ผิดศีลเพิ่มเข้าไปอีกจะไม่ยอมทําคนที่เข้ากระแสจริงแล้วจะที่พระเจ้าท่านบอกว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านะั้นจะไม่ไปทิศอื่นจะไม่ทางอื่นนั้นมีแต่จะอะไรอะตรงไปสู่การตัดสู่ในเบื้องหน้าคือจะไม่ไปอย่างอื่นแล้ะ เจออุปสรรเจอปัญหาเจอวิบากกรรมหนักนาสาหัสสากาันยังไงเนี่ยก็จะมุ่งหน้าที่จะไปให้ถึงการตัดสู่คือรู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าบรรลุธรรมเนี่ยให้ได้จะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกข์ก็ทุกข์อยู่เจ็บปวดก็เจ็บปวดอยู่เอาให้เอาสมมุติว่าโดนแฟนทิ้งอกหกักอกพังนะก็พยายาม ไม่ไปแต่งงานใหม่ไม่ไปคือพิบากกรรมทาให้มันต้องบางทีอะนะมันหนีไม่พ้นคู่้ขอมันก็เลยมีแต่พอเจอขึ้นมานี่ก็โอโ้โหรูแหละนะทุกข์หนักบางทีเจอคู่ที่อะไรอ่ะเร็วๆได้ ๆ, ๆนะแต่ค น, นเนี้ยเนีโโ่ยโหทุกอย่างนี้ก็ตามบางทีมีลูกเต้าดื้อซ้ำไปบางคนแต่พอเจอแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะไป แต่งใหม่หรือว่าไปมีใหม่หรือว่าไปคิดทางที่มันผิดศีลธรรมอะไรก็เขาจะไม่ไปทําวั น, นี่ยถ้าใครเข้ากระแสจริงแล้วจะมีสภาวะอย่างนี้แน่นอนด้วยแน่นอนเลยยกเว้นว่านนัะ่นนะ่ะไปเจอวิบากอะไรที่โอ้โหทําหนักหนาสาหัสสากันก็ต้องสู้หนักหน่อยบางคนโอ้โหโดนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําช้อน นะแตถ่ถ้ามันเข้ากระแสแล้วเนี่ยบางทีพอมันท้ทอๆไปสักหน่อยทอ้ทอๆไปสักพักเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฟื้นนะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเพราะว่ามันมีสะสมบุญบรารมีเก่าเอาไว้เนี่ยของเก่าที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยมันจะค่อยๆมาคลี่คลายใจเราทําให้เราก็ค่อยๆมีพลังขึ้นมาพอมีพลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็เอาสิ่งที่ดีเนี่ยแหละไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็มันก็แก้ปัญหาได้และ เนะพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการสั่งสมบุญเก่าและความชัดเจนในจิตวิญญาณว่าไม่มีทางอื่นแล้วมีแต่ทางนี้ทางเดียวที่จะไปมันก็จะมุ่งไปทางนี้นะพระพระจันทาเทรีนี่ก็เหมือนกันปรากฏว่าพอเกิดไปถึงในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมนางได้กำเนิดเป็นทิดาในตระกูลพราหม เป็นอะไรอ่ะเป็นตระกูลของพวกนักบวชพราหมณ์นี่ก็เป็นพวกนักบวชชื่อว่าจันทาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพรามณ์ตำบลหนึ่งนับตั้งแต่นางเกิดมาครอบครัวก็ตกต่ำทรัพสมบัติในบ้านเสื่อมสิ้นลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็อยู่ในสภาพยากจนเข็นใจมากต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างทุกข์ลำบากนี่นี่ก็เป็นไปตามวิบากกรรม ของของคนเนี้ยของอะไรนางจันทาตอนนี้นงยังไม่บวชคือตามวิบากกรรมคนเนี้ยในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าไปทำวิบากอะไรไว้นะแต่ปรากฏว่าเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในตระกูลพานนี้แล้วก็นะตระกูลนี้ค่อยๆ ย, ยากจนลงไปเรื่อยยากจนลงไปเรื่อยยากจนลงไปเรือ่อย ถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องโทษแล้วโทษว่าอะไรลูกนี่แบบการเลกินีมาผ่านพ่อแม่มาผ่านทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรอันนั้นก็โทษเดินไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามวิบากกรรมหมายถึงว่าจะมาเจอลูกแบบนี้ยคือพ่อแม่จะมาเจอลูกที่จะทําให้ต้องเสียทรัพย์หรือว่าอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องไปทําวิบากกรรมเอาไว้ถึงได้จะต้องมาเจอกับลูกแบบนี้ถ้าพ่อแม่กคนนั้น ไม่สร้างวิบากพวกนี้เอาไว้พ่อแม่ก็ไม่มาเจอลูกแบบนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันมันเป็นไปตามวิบากของแต่ละคนบางคนเนี่ยพวกหลายๆคนเลยชอบที่จะเข้าใจผิดบางจะคิดว่าโอ้โหถ้าลูกเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างางี้นะบางทีก็โทษพ่อแม่เนี่ยเพราะพ่อแม่อย่างนี้อย่างนี้แหละลูกถึงได้ดเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็โทษลูกแล้วเนี่ยเพราะลูกอย่างงี้แหละ พ่อแม่ถึงเป็นอย่างนี้นนแต่จริงๆแล้วกรรมใครกรรมมันกรรมของใครก็ของคนนั้นแต่มันมีตัวสัมผัสสัมพันธ์กันกรรมอ่ะเขาเรียกว่ากรรมร่วมนะภาษาเขาเรียกว่ากรรมร่วมคือมันมีตัวที่เชื่อมโยงกันอยู่ทําใหา้พ่อแม่อย่างนี้ถึงได้จะต้องมีลูกแบบนี้แล้วลูกแบบนี้แหละ ลูกๆที่จะมาเกิดเป็นคนแบบเนี้ก็เลยต้องมีพ่อแม่แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโทษพ่อแม่ไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษลูกคนไหนนะให้เรียนรู้เรื่องของวิบากกรรมอ๋อเพราะเรามีวิบากกรรมอย่างนี้เองเราถึงต้องมีลูกแบบนี้บางคนก็ได้ลูกน่ารักบางคนก็ได้ลูกหน้าชังก็ <c oughs> แล้วแต่บางคนก็เหมือนกันก็ได้พ่อแม่โอ้อดีจังเลย แต่บางคนก็โอ้โหได้พ่อแม่แบบทุกทรมานโทรกรรมนะทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งตีทั้งโอ้หนะโขมเพงลังแกก็แล้วแต่คนนั้นจะเจอนะัแล้วก็ปรากฏว่านเนี่ยนางยันทานี่ในมันะเกิดกับครอบครัวนี้ปรากฏว่ายากเยนลงเรื่อยเรื่อยเลยต่อมาเกิดโรคระบาดในหมู่บ้านมีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก เครือญาติของนางทั้งหมดพากันล้มตายไปหมดสิน้นนางเหลือเพียงตัวคนเดียวตามลําพังไร้ที่พักพิงอาศัยต้องถือชามดินขอทานของกินเลี้ยงชีวิตยอยู่ด้วยอาหารจากทานนั้นเองโอ้โหแย่ลงไปเรื่อยๆนะนะเกิดโรคระบาดเครือญาติตายเกลี้ยงเลยนี่จริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโโหเกิดมาผัน ผานครอบครัวผานคือญาติทิ้งหมดนี่อันนี้เป็นการโทษกันจริงๆแล้วไม่ใช่เมอกี้อัตมาพูดไปแล้วนะว่าไม่ใช่เพราะเด็กคนนี้เกิดแล้วทำให้คนอื่นต้องเป็นอย่างนี้แต่เด็กคนนี้ก็เกิดมาตามสภาพที่คนอื่นๆ น, น่ะก็จะต้องตายแบบโรคระบาดก็ต้องตายไปเกลี้ยงเนี่ยเด็กคนนี้ก็มีกรรมร่วมอันนึงที่ต้องเกิดมาด้วยแล้วก็จะต้องให้โดนเนี่ย โดนคนอื่นอาจจะเหมาเข่งล้นะว่านี่แหละเองเกิดมาแล้วก็ทำให้พวกข้าตายไปเกือบหมดอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะต้องสร้างวิบากที่จะต้องให้มาโดนอะไรอ่ะเข้าใจผิดหรือว่าให้มาโดนสายร้ายปลายสีอะไรก็ว่าไปนะอันเนี้ยส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าโอ้โหต้องยากจนต้องทุกข์จนตอนนี้กลายเป็นขอทานไปแล้วนะ สภาพแย่ลงไปเรื่อยๆจะเป็นขอทานแล้วต้องอาศัยอยู่ไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่ขอข้าวเขากินซึ่งคนเราเนี่ยนะจริงๆเลยถึงขั้นจะต้องเป็นขอทานจะต้องอะไรเงี้ถ้าในชีวิตคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดเป็นขอทานเนี่ยคุณคิดเอาง่ายๆก่อนคนที่จะเป็นขอทานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะ สร้างวิบากอะไรไว้คิดอย่างตื้นๆง่ายๆมันต้องไปคิดลึกซึ้งอะไรขี้เกียจเอาอย่างนึงแล้ว อ, อย่างอื่นอีกอะไรที่จะทำให้เป็นเหตุขอทานได้เนี่ยอ้าวขโมยของเขาเราจะต้องขอโมยของคนจำนวนมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เออเอาแล้วกี่ไรไม่ไม่ได้ทำบุญทําทานให้คนอื่นเขาบ้าง นะบางทีอาจจะร่ํารวยนะบางคนเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินถุงเงินถังเงินกละมัง <c oughs> นะเงินตุ่มโอ้แต่ก่อนนี้ก็ใส่ตุ่มนะเอาใส่ไหแล้วก็ไปฝังดินไปซ่อนนาะต่อให้มีเงินเยอะมากมายขนาดไหนเนี่ยแต่โอ้โหหอบพวงขี้เหนียวไม่ค่อยจะยอมให้ใครอะไรเลยนะและ้วไอ้บางทีที่ได้มานี่บางครั้งอาจจะได้โดยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วยนะ อไปกอบโกยไปโกงกินอะไรเข้ามาด้วยแล้วก็ยังได้มาแล้ว ย, ยังไม่ยอมให้ใครอีกด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดเลยว่าคนลักษณะแบบเนี้มีนรกเป็นที่ไปตัดไม่เลยว่ามีนรกเป็นที่ไปเลยแล้วจริงแย่อยากแย่นักก็นั้นนะบางคนเนี่ยนะได้เงินมาอย่างนี้แล้วเงินทุจริตเงินไม่ดีเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยขี้เหนียวยจริงๆเลยแม้แต่ตัวเองจะกินจะใช้เนี่ยยังยัง ไม่ไม่ไม่ยอมเอามาใช้เลยเสียดายเงินบางทีเนี่ยรวยนะ <c oughs> มีเงินมหาศาลแต่โอ้โหใส่เสื้อเก่าๆ ก, กินอาหารแบบอะไรอะ่ะไม่ค่อยดีอะ่ะจะเดินทางไปไหนก็ไปแบบชนิดอะไรไม่ไม่ต้องโบกอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าอะไรรถรถ เกาๆเออโกโลโกโซอะไรอย่างเงี้ยมีในในพระไตรปิฎกเรื่องอื่นก็มีเคยเคยเองมาเล่าให้ฟังแล้วจริงั้นจริงโอ้โหขี้เหนียวจริงๆนั้นเนี่ยพระวิชาชาท่านท่านตัดไว้เนี่ยโอ้เป็นความโง่เขลาเป็นความโง่เขลาบุญก็ไม่ได้นะคุณคิดดูนะคือคือถ้าเราบริจาคทานไปเนี่ยเรายังได้บุญสะสมไว้ใช่ไหมบุญกุศลเพิ่มแต่ตอนนี้คิดดูนะบุญก็ไม่ได้เสร็จแล้ว ไอ้ที่ไปเอาของเข้ามาเนี่ยถ้าเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอีกด้วยเพราะในคนนี้เนี่ยไอ้ที่สะสมไว้ทั้งหมดเนี่ยเงินเยอะแยะมากมายมีแต่บาปที่สะสมไว้เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าต่อให้เป็นพ่อค้าต่อให้เป็นนักบริหารหรือว่าเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นกรรมกรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเงินที่เราได้มาได้โดยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว วันไอ้ส่วนที่ถูกต้องอคนนี้ไม่เสียหายอะไรถ้าเป็นค่าแรงงานเขาจริงหน้าส่วนนั้นเขาไม่บาปอะไรแต่ส่วนที่เกินจากจากความเป็นจริงที่เขาควรจะได้เขาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาส่วนนั้นทั้งหมดแหละก็คือส่วนที่คนนี้จะต้องชดใช้คนอื่นทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับกับโกงเข้ามาแหละเพียงแต่ ว, ว่า โกงยังถูกกฎหมายโกงแบบถูกกฎหมายคือคือกฎหมายไม่ได้ว่าอะไรอ่าแม่จะขายของราคาแพงหน่อยอแต่กฎหมายเขาไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นสินค้าที่ไอ้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้เพราะฉะนั้นเอาเขาขายได้เอากําไรมาเยอะๆว่าไอ้ส่วนที่เกินนั่นแหละเป็นส่วนที่เขาจะต้องชดใช้ทั้งนั้นเลยเพราะเขายิ่งได้เงินมาม า, มากเท่าไหร่เขายิ่งสะสมก่อนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น วันยิ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ยิ่งบาปหนาบาปหนักบาปเป็นภูเขาเรากาวันนี้ถ้าคนที่เข้าใจอันนี้ได้ถึงจะรู้ว่าโอ้โหไว้ถ้าอย่างนี้เราไม่ไม่เอาดีกว่าเราไม่ทําดีกว่าวไม่ไม่ไปล่ํารวยดีกว่าจนยังจะดีสั ก, กว่าจนเนี่นะจนแล้วมาขอทานเขานี่นะขอทานเขากินเอายังสุจริตนะเพราะว่าได้มาโดยที่คนอื่นเขาให้มายังยังยังสุดจริตยัง ยังมีบุญกุศลหรือว่ายังเอาตัวรอดได้มีบุญไหมเนี่ยขอทานมีบุญไหมฮะขอทานมีบุญไหมบุญอะไรขอทานถ้ามีแต่คนให้แล้วไม่มีคนรับเนี่ยเกิดไหมบุญเนี่ยมันไม่เกิดนะว่าบุญจะเกิดนี่ต้องมีทั้งผู้ให้แล้วก็ต้องมีทั้งผู้รับเพราะงัการที่เข้ามารับเนี่ยนะ อ่ามันก็เป็นบุญสำหรับทําให้คนอื่นเขาได้ทำทำทานอันนี้เพราะมันเป็นบุญร่วมเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเราเป็นผู้รับเท่านั้นเองคือคือไอตัววัตถุน่ะคนนั้นได้มาได้มากินได้มาใช้อันนี้เป็นบุญในด้านนี้แต่ผู้ที่ให้เรามาแล้วเนี่ยคราวนี้แหละว่าหลังเราก็ต้องใช้คืนผู้ให้ เพราะฉะนั้นถ้าเขาสุดจริตเขามาขอโดยที่เรียกว่าไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมทําเวรทําอะไรมานะแล้วเขาก็ได้อาหารมาโดยสุจริตอย่างนี้ยังเป็นส่วนที่เป็นผลบุญนะเพราะบุญต้องมีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเพียงแต่ว่าถ้าผู้ให้บริสุทธิ์นะบุญก็ของผู้ผู้ให้นั้นก็ยิ่งยิ่งเต็มร้อยยิ่งถ้าผู้รับก็ยิ่งบริสุทธ์ หรือว่ามีมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นบุคคลที่ยิ่งดียิ่งสมควรได้รับบุญนั้นก็ยิ่งมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้กับผู้รับบุญที่ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่สุดก็คือบุญที่ทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งคู่อันนั้นจะเป็นบุญที่สูงที่สุดนะเพราะว่าบริสุทธิ์ทั้งคู่นี่หมายถึงว่าผู้ให้ก็ให้ได้อย่าง ดีอย่าง จ, จิตใจงดงามนะ้าผู้รับก็รับเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีนะ้าสามารถช่วยเหลือผู้คนหรือว่าแผ่แผ่ประโยชน์ออกไปได้อีกมากอันนี้เ น, นี่ยเป็นประโยชน์สูงที่สุดแต่ถ้าบางทีเนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์แต่ผู้รับไม่บริสุทธิ์อ่าคราวนี้บุญได้แต่ในส่วนของผู้ให้เท่านั้นนะ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บุญเต็มด้วยนะเพราะอะไรเพราะบางทีผู้รับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คืออาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่บุญมันก็ลดลงไปตามส่วนของผู้ที่มารับก็นั่นงละโดยโดยผู้ให้เนี่ยโดยวัตถุเนี่ยนะโดยวัตถุผู้ที่ให้เนี่ยได้ได้เต็มในด้านของวัตถุ แต่ในด้านของจิตวิญญาณยังไม่มีสติปัญญาหรือว่ายังไม่ฉลาดพอาทางด้านจิตใจยังยังยังไม่คือการให้ทานก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยถ้าคราวนี้ยิ่งไปให้พวกโจรคุณก็ให้เหมือนกันนะคุณให้พวกโจรให้พวกมิจฉาชีพให้พวกอะไรคุณว่าได้บุญไหมเอาก็ได้ได้เหมือนกันนะ ถ้าถ้าให้เขาจริงๆแล้วเขาก็รับจริงๆแล้วเขาก็จําเป็นต้องต้องต้องได้นะคือเขาก็เอาไปใช้นะแต่ไอ้ส่วนที่เราให้เข้าไปเนี่ยเป็นประโยชน์แค่แค่นิดหน่อยแต่ไอ้คนนี้มันเอาของเราไปแล้วโอ้โหมันไปสร้างเวรสร้างกรรมมันไปสร้างบาปเยอะแยะมหาศาลเอามามาหักลบกลบกแล้วนี่โอ้โหขาดทุนย่อยยับขาดทุนย่อยยับเลย เพราะฉะนั้นเหมือนกับเอาเราให้อาหารสัตว์เนี่ยเราก็ได้บุญถูกไหมแต่ตอนนี้มันต้องดูอีกอะ่ะก็ไม่ต่างจากคนหรอกสมมุติว่าอา้าวคุณให้อาหารสัตว์สัตว์มันก็มีทั้งดีทั้งเลวเหมือนกันนะคุณเย็นนึกว่าแม้อะไรนะถ้าให้คนนี่เราก็คิดเนี่เดี๋ยวให้คนเลวเราไม่ได้บุญกุศลอะไรนะแต่ถ้าสัตว์เนี่ยเราเราเร า, เรามักจะคิดว่ามันเหมือนกันหมดก็ไม่นะ มันก็มีความแตกตายย่า ง, างกันเหมือนกันสัตว์มันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดหรอกมันก็มีไอ้ที่บ้าๆก็มีนะสัตว์แบบเพื่อที่ว่าโอ้โหมันบ้าๆก็มีอะ่ะยิงหน้าร้อนนะ่นระวังฮ ะ, นะเจอหมาหางตกน้ำลายติงต๋งติงต๋งติง๋งคระวังเถอะกัดคนแล้วก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้อะ่ะไม่ต้องระวังนะก็นี่แหละมันไม่มีบรญญาเนี่ย ไม่ฉลาดไม่รู้มันทีซวยเลยนะโอ้ โ, อโอสงสารสงสารเมตตาเข้าไปให้อาหารมันเผลอๆโดนมันงับเขาให้อันแล้ไปฉีดพุง่งเขาตนี้ไปฉีดพุ่งกี่เข็มนะจีเข็มทุกวันนี้เหลือสองเข็มแล้วเหรอโหทำไมมันมันน้อยลงมาตั้งเยอะแต่ก่อนนั้นโอ้โหหลายเข็มเลย ไม่เคยเห็นนะว่าเขาฉีดตรงไหนนะครับอกฉีดที่พุงรอบสะดือเหรอโอ้โหหวาดเสียวฟังนะรอบสะดื อ, <laughs> อ, ดอนั่นแหละอันนี้ผู้ได้ฟังในเรื่องของนะผู้ให้พู้รับและเรื่องของวิบากกรรมอันนี้เราย้อนกลับมาดูวันหนึ่งขณะที่นางเที่ยวเดินขอทานอยู่นั้นได้พบกับพะระปตาจาราเถรีอันนี้ก็เป็น ภิกษุณีรูปหนึ่งนาที่ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันปรากฏว่าได้พบกับพระปตาจาราเถรีกับหมู่ภิกษุณีบังเกิดความศรัทธาในกิริยาอาการที่สงบสํารวมจึงได้ติดตามไปจนถึงที่พักภิกษุณีทั้งหลายได้พูดคุยสนทนากับนางแล้วรู้สึกเห็นใจสงสารที่นางต้องทุกข์ยากลาบาก จึงกรุณาให้อาหารและน้ําแก่นางประทังชีวิตสืบไปนางได้รับทั้งอาหารกายและอาหารใจคือคือไปก็จะไปคุยใช่ไหมได้ไปคุยกับพวกภิกษุณีคุยแล้วภิกษุณีก็เห็นโอ้โหยากจนลำบากเหลือเกินก็เลยให้ข้าวให้น้ําอะไรกินนางได้ทั้งธรรมะได้ทั้งอาหารยิ่งทำให้ชื่นชมเลื่อมใสในข้อประพฤติปฏิบัติและศีลของภิกษุณีเหล่านั้น นางจึงตัดสินใจเข้าไปหาพระปตจลาเถรีไหว้แล้วนั่งณนะที่สมควรข้างหนึ่งพระเถรีได้แสดงธรรมโปรดแก่นางนางฟังธรรมนั้นแล้วยิ่งศรัทธาในคำสอนเกิดความสังเวชในสังขารทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้จึงเอ่ยปากขอบวชกับพระเถรีสมัยก่อนนี่นะ ต่อให้เป็นขอทานก็ตามคุณอย่าคึกว่าขอทานเนี่ยก็ก็อยากจะบวชนะ <c oughs> มันมันมันต่างกัน จ, จริงอารมณ์ความรู้สึกของคนเดี๋ยวนี้กับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่บวชเขาคือบวชจริงๆเขาให้ค่าเขาให้อะไรอ่ะการ ย, ยกย่องนะว่าเออนี่เป็นนักบวชแล้วคนที่จะบวชเขาก็หมายถึงบวชตลอดชีวิตจะเป็นภิกษุก็ตามหรือจะเป็นภิกษุณีก็ตาม เขาหมายถึงตลอดชีวิตเพราะนั้นไม่ไม่เล่นๆแล้วคนสมัยก่อนก็มีความซื่อสัตย์อยู่มากไม่ค่อยมาหลอกลวงอะไรกันนักแล้วยิ่งถ้าอาชีพอื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นอาชีพแบบนักบวชเนี่ยเขาก็ยิ่งถือถือว่าศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นอาชีพที่เรียกว่าถ้าใครเนี่ยไม่ที่จะลดละ ก, กิเลสไม่คิดที่จะตัดจิตตัดใจกันแล้วจะไม่มาบวชง่ายๆ แต่ทุกวันนี้มันการเป็นบวญเล่นๆไปแล้วขนาดบางคนก็ไม่ได้ไปคิดอื่นอะไรนะแต่ก็บวดเล่นๆไงคือบวญเจดวันบวชสิบวันบวชเดือนหนึ่งบุญคือยังเป็นการบุญแบบเล่นๆอันนี้เขาเรียกว่าเล่นๆเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คิดจะบวดไปจริงบวดไปตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าบวญเล่นๆเสร็จแล้วที่หนักข้อกว่านี้ดูเอาสิเพราะรู้ว่าคนเนี่ยจะให้ อ่านหนังสือพิมพ์ไหมเร็วๆเนี้ยเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยที่เขาเพิ่งลงอะ่ะที่เป็นหมู่บ้านไหนอะ่ะออจังหวัดไหนไม่รู้นะอลึกไม่ออกจังหวัดไหนไม่รู้เรียกว่าโอ้โหแต่งชุดเลยใส่จีวรใส่อะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยโกนหงโกนหัวเสร็จแล้วก็มาเที่ยวบินธบาสมาอะไรที่จริงมันมีมานานพอสมควรแล้วแหละ แต่ก็เขาก็จัดการเอาได้ข่าวมาก็จัดการนั่ที่จุดนั้นที่จุดนี้แลนวนี่เร็วๆนี้ก็เนี่ยเพิ่งเพิ่งจัดการกันไปอีกมาเพิ่งอ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนั่นแล้วข้อก่อนเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยน ะ, ะผู้หญิงก็บางทีแต่งเป็นแบบทีทีผ้าขาวอะ่ะเสร็จแล้วก็ถือบาทไปเลยก็ยังมีเลยแต่เดี๋ยวนี้โดนว่าเยอะแล้ว เลยไม่ค่อ ย, อยไม่ค่อยเห็นจีถือบาทสักสักเท่าไหร่แต่แต่ก่อนยังเห็นเยอะ